รักบรรดานิทานสีขาวค่ะกับนิทานเรื่องการเดินทางของชายสามคนชายสามคนเป็นเพื่อนรักกันอยู่มาวันหนึ่งซึ่งเป็นหน้าแง้งชายทั้งสามคนได้นั่งคุยกันถึงเรื่องปากท้องทั้งสามต่างพากันเห็นว่าหมู่บ้านที่พวกตนอาศัยอยู่นั้นค่อนข้างแห้งแล้งกันดาร หาอาหารได้ไม่ใคร่จะพ อ, อยังชีพและดูเหมือนว่าความแห้งแล้งกันดานนี้จะเพิ่มมากขึ้นทุกทีชายคนที่หนึ่งนั่งพ้อกับเพื่อนทั้งสองว่าพรุ่งนี้เราจะเอาอะไรกินกันดีนี่เพื่อนชายคนที่สองตอบอย่างฟังกระตายว่าข้าสวดมนต์อ้อนวอนพระเจ้าแล้วขอให้พระองค์ส่งปลามาให้เราสักตัวเถอะ ชายคนที่หนึ่งถามกลับว่าถ้าพระเจ้าไม่ส่งปลามาให้เราก็มีหวังเราคงอดตายละสิชายคนที่สองตอบกลับทันทีว่าพระองค์ต้องส่งปลามาให้เราสิเพราะว่าเราเนี่ยอ้อนวอนขอพระองค์ทุกคืนชายคนที่สามซึ่งนั่งฟังบทสนทนาของเพื่อนทั้งสองคนอยู่นานแล้วก็พูดขึ้นมาบ้างว่าข้าว่า ขืนเรายังทนทุซีอยู่ที่นี่ต่อไปมีหวังได้อดตายกันสักวันแน่ๆแล้วแล้วนายจะให้ทำยังไงเล่าก็ที่นี่มันแห้งแล้งนายก็รู้ชายคนที่หนึ่งถามพลางอ้าปากหาวข้าเคยได้ข่าวมาจากพ่อค้าผ้าเรื่องเมืองที่อยู่หลังเขาด้านตะวันออกโน้นพ่อค้าผ้าบอกข้าว่า เมืองนั้นอุดมสมบูรณ์ยิ่งนักข้าวปลาอาหารหาง่ายการค้าก็รุ่งเรืองมากข้าว่านะเราย้ายไปอยู่ที่นั่นกันเถอะเพื่อนชายคนที่สามกล่าวอุย้ยแต่ว่าทางนั้นเสือมันดุมากนะขืนไปทางนั้นคงมีหวังได้กลายเป็นอาหารของเสือร้ายแน่แน่ชายคนที่หนึ่งพูดเยิ่งตกใจ เอ้ยไม่เป็นไรหรอกข้าจะสวดมนต์อ้อนวอนให้พระเจ้าช่วยปกป้องเองชายคนที่สองว่าพร้อมกับทำท่าสวดมนต์เถอะนะเพื่อนเราไปตายเอาดาบหน้ากันดีกว่าอย่ามัวแต่นอนรอความตายอยู่ที่นี่เลยถ้าพวกเราไปถึงหมู่บ้านหลังเขานั่นโดยปลอดภัยเราก็จะได้ปักหลักคัมมาหากินอยู่ที่นั่นไม่ต้องมานั่งอดอยากหิวโหวยอยู่แบบนี้ชายคนที่สากล่าวอย่างมีเหตุผล เมื่อเห็นพ้องต้องกันว่าน่าจะไปลองตั้งรกรากอยู่ที่ใหม่เพื่อนรักทั้งสามจึงเก็บเข้าของเครื่องใช้ที่จําเป็นแล้วมุ่งหน้าออกจากหมู่บ้านอันแสนธุระ ก, กันดารทันทีการเดินทางข้ามเขาตะวันออกเพื่อไปยังหมู่บ้านแห่งนั้นต้องใช้เวลาเดินทางถึงสามวันสามคืนและตลอดทางก็เป็นป่ารกทึบทั้งหมดดังนั้น ทั้งสามคนจึงต้องคอยระแวดระวังภัยจากสัต์ร้ายต่างๆอยู่ตลอดเวลากระทั่งในวันที่สามเมื่อเวลาพลอเพสามสหายก็เดินทางมาถึงปากทางเข้าหมู่บ้านซึ่งยังคงเป็นป่าทึบอยู่แต่ก็ทำให้ทั้งสามใจชื้นขึ้นมาได้ด้วยรู้สึกว่ายิ่งเข้าใกล้หมู่บ้านเท่าไรก็จะยิ่งปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น ชายคนที่หนึ่งเห็นอะไรบางอย่างไหวๆอยู่ในพุ่มไม้ด้านหลังเขาจึงจ้องมองแล้วจู่ๆก็ร้องรั่นด้วยความตกใจว่าเสือเสือเสือตัวใหญ่มากเลยเพื่อนเสือเสือตัวใหญ่ขนาดนี้เราคงหนีไม่ทันมันแน่เราทุกคนต้องถูกมันจับกินจนหมดแน่ๆเฮอชายคนที่หนึ่งร้องไห้อย่างสิ้นหวัง อย่ายอมแพ้สิเพื่อนถึงเสือจะตัวใหญ่แต่ถ้าเราหนีทันเราก็อาจจะรอดนะชายคนที่สามร้องบอกเพื่อนแต่ชายคนที่หนึ่งนั้นดูเหมือนจะเชื่อมั่นเอาจริงๆแล้วว่าตนเองไม่มีทางรอดดังนั้นเขาจึงเอาแต่ยืนร้องไห้อย่างหวาดผวาเสือเห็นดังนั้นจึงจับชายคนที่หนึ่งกินเป็นอาหารก่อนใครเพราะจับได้ง่ายและก็ไม่ต้องออกแรงแต่อย่างใด ชายคนที่สามเห็นเพื่อนถูกกินเป็นอาหารก็ร้องบอกเพื่อนที่เหลืออีกคนว่าวิ่งเลยเพื่อนวิ่งมาทางนี้เร็วๆสิเพื่อนโอ้ยวิ่งไปก็ไม่รอดหรอกข้าจะสวดมนต์อ้อนรอนขอให้พระเจ้าช่วยพระเจ้าผู้วิเศษจะต้องเห็นใจและมาช่วยคุ้มครองเราแล้วชายคนที่สองก็หลับตาแน่นิ่งพร้อมกับทำปากขมุบขมิบสวดมนต์ถึงพระเจ้า โทรเพื่อนเนยถ้าตัวเราไม่มีความพยายามที่จะทำอะไรด้วยตัวเองก่อนแล้วไหนเลยพระเจ้าจะทรงมีเมตตา ม, มาช่วยเราเราต้องช่วยตัวเองให้ถึงที่สุดก่อนที่เพื่อนไม่ใช่มารอคอยแต่ความช่วยเหลือจากคนอื่นแบบนี้ขืนรอไปก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะหยิบยื่นมาให้เราแต่ชายคนที่สองไม่รับฟังเพื่อนเขาพร่ำแต่สวดมนต์ขอให้พระเจ้าช่วยเสือจึงตรงขย้ำเขา เป็นเหยื่อรายที่สองเมื่อเสียเพื่อนรักไปแล้วถึงสองคนชายคนที่สามก็คิดว่าเขาจะไม่ยอมให้ตนเองปกเป็นอาหารของเสือร้ายดังเพื่อนทั้งสองคนอย่างเด็ดขาดคิดได้ดังนั้นเขาจึงรีบปีนต้นไม้ที่สูงที่สุดอย่างรวดเร็วเสือเหิงดัง น, นั้นก็เกรงว่าเหยื่อรายที่สามของตนจะหนีรอดไปได้จึงกระโจนเข้ามากระแทกต้นไม้อย่างแรง เพื่อให้ชายคนที่สามที่กําลังปีนต้นไม้อย่างแข็งขันตกลงมาเป็นอาหารของตนให้ได้ชายคนที่สามนั้นแท้จริงแล้วปีนต้นไม้ไม่เก่งแต่อย่างใดและแรงกระแทกของเสือก็รุนแรงเหลือเกินจนทําให้เขาเกือบจะตกลงมาอยู่หลายครั้งแต่เพราะใจที่สู้และคิดว่าตัวเองต้องรอดชีวิตให้ได้จึงแข็งใจกอดต้นไม้ไว้แน่น ฝ่ายเสือเองก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันมันมีกําลังมากพอได้กินเนื้อมดไปแล้วถึงสองคนและยังอยากได้อีกสักหนึ่งคนเป็นอาหารตกท้ายดังนั้นมันจึงกระแทกต้นไม้ไม่ยอมหยุดและเมื่อเห็นว่าชายคนที่สามเริ่มสิ้นเรี่ยวแรงมันก็ออกแรงกระแทกต้นไม้หนักขึ้นหนักขึ้นจนในที่สุดชายคนที่สามก็ร่วงหลง่นลงมา แต่ก่อนที่เสือจะตรงเข้าขย่ำร่างของชายคนที่สามก็พันเกิดเสียงหนึ่งดังสนั่นขึ้นมาเสือตกใจคิดว่าเป็นเสียงปืนของนายพลานที่ออกล่าสัตว์อยู่ในบริเวณนั้นประจำมันจึงรีบหนีเข้าไปในป่าทันทีชายคนที่สามเห็นดังนั้นจึงรีบมองหาต้นตอของเสียงพบแต่เพียงลูกมะพร้าวขนาดใหญ่ตกอยู่ใกล้ๆตัวเขาจึงรู้ว่าแท้จริงแล้ว เสียงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเสียงที่เกิดจากลูกมะพร้าวที่ตกลงมาเพราะแรงกระแทกของเสือนั่นเองท้ายที่สุดแล้วชายคนที่สามก็รอดชีวิตจากเสือร้ายและเดินทางไปถึงหมู่บ้านอย่างปลอดภัยหลังจากนั้นชายผู้นี้ก็ได้เริ่มต้นทํามาหากินในหมู่บ้านแห่งนั้นอย่างขยันขันแข็งจนสุดท้ายเขาก็มีฐานะร่ารวย และสร้างครอบครัวที่แสนสุขได้เธอทั้งหลายคนทุกคนเมื่อมีชีวิตแล้ ว, ลวก็ย่อมต้องมีปัญหาในชีวิตเกิดขึ้นมาคู่กันเพื่อเป็นบททดสอบคุณภาพชีวิตของคนคนนั้นจงอย่ายอมแพ้กับปัญหาที่อย่างไรเธอก็ต้องเจอแต่จงสู้และแก้ไขมันให้ได้การแก้ปัญหานั้นขอให้ทำด้วยสติของตนเอง นึกให้ดีวิเคราะห์ให้ได้ว่าควรแก้ปัญหาเหล่านั้นเช่นไรยิ่งไปกว่านั้นก่อนที่จะมองหาความช่วยเหลือจากผู้ใดก็ตามจงแก้ไขมันด้วย ต, วตัวของเธอเองให้ดีที่สุดสิก่อนหากเธอยังแก้ไขปัญหาต่างๆหรือผ่านอุปสรรคที่ขวางกั้นนั้นไม่ได้จงถามตัวเองว่าฉันได้พยายามจนถึงที่สุดแล้วจริงๆหรือ พระเจ้าทรงมีเมตตาแต่พระองค์ก็ทรงเลือกผู้ที่สมควรแก่ความช่วยเหลือของพระองค์ด้วยเช่นกัน